กราังกันหลายวันนี้วันที่บันทึกตรงกับวันที่ยี่ิบสามธันวาคมสอง1ันห้าร้อยสาิเอ็ดมันเป็นวันเริ่มแรกหนังสือเล่มที่ห้าเพราะว่าหนังสือเล่มที่ห้าต้องรีบทำ น, นั้นแต่เวลานี้บันทึกเสียงไว้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่คัดลอก ความจริงการบันทึกวันนี้ก็ป่วยวานี่ป่วยมากตอนต้นเอ่อตอนปลายของเล่มที่สี่ป่วยมากไปหน่อยฉะนั้นตอนที่แล้วการบันทึกยังพลาดเพราะไม่มีหนังสือมาเอาแต่ความจำลิงกับริมพิปากมาไม่ประสานกัน <c oughs> ใจก็พลาดพลาดไปจุดหนึ่งนั่นคือโคศก เคยประบทลงมาเกิดในหญิงท้องหญิงแพทย์สยานแล้วเขาก็นำไปทิ้งร่างกายก็จำนวกันหวังแยกกินแต่ว่าเพราะบทสัยบุญที่ต้องเป็นมหาเศรษฐีจิงเทวดาคุ้มครองไว้ก็พอดีตอนเชา้าธรรมมหาเศรษฐีไปเฝ้าพระราชาไม่พบโรหิตเข้าเขาถามว่าอาจารย์ วันนี้จะมีอะไรไหมหรือเมื่อคืนนี้มีอะไรไหมท่านบรหฮิตก็บอกว่าเด็กที่เกิดเมื่อตอวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีต่อไปในวันหน้าพอดีเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีปัญญาท่านตั้งคันอยู่จึงให้คนใช้ไปดูเพื่อคลอดบุตรด้อย่าง เมื่อเห็นว่าอย่างก็สั่งให้ค้นคว้าถามว่าใครลูกใครเกิดคนนี้บ้างให้ซื้อมาแต่ก็เป็นการบังเอิญเขาไปเจ็บเจอเจอด็กเกิดในวันนั้นที่เขาไม่ทิ้งก็เลยไม่ต้องซื้อถ้รวมความเรื่องโคศกทบุตรการเกิดของเขาเป็นอย่างนี้ในตอนที่แล้วพลาดไปก็ต้องขอว่าภัยบรรดาท่านพุทธบริษัทกวามจริงพูดเรื่องพระสูตร พระสูตรก็รู้สึกว่าจะเป็นของง่ายในการฟังแต่รู้สึกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทสนใจน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าใบหิตวันทีเห็นว่าพระสูตรเก่าก็ได้พระฟังกันมาบ่อยๆตอนนี้ไปก็จะละสูตรเดิมมาตั้งสูตรใหม่แต่ไม่ได้ตั้งแข่งขันกับพระพุทธเจ้า สูตรแปลว่าเรื่องนี่ก็ว่าตั้งเรื่องใหม่คือเรื่องของความฝันและนิทานเอาเป็นนิทานดีกว่าความฝันยังไม่แน่คำว่านีมิตหมายถึงความฝันตอนนี้คนฟังและบางท่านอาจจะคิดคิดมากไปหน่อยตอนนี้ไปก็เปเรื่องเขาทีทานนิทานตลอดเล่มสี่ ขอโทษนิทานตลอดเล่มห้านี่ไม่ดีก็จะไป น, นิทานอีกที่กี่เล่มกี่เล่มก็ไป น, นิทานว่ากันเป็นนิทานเช่นเลยก็หมดเรื่องถ้าเรื่องของนิทานบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายและช่างพวคนช่างคิดก็จงอย่าคิดว่าเป็นความจริงเว้นไว้แต่ส่วนใดที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงฉะนั้นขอยืนยันไว้นับถือว่าเป็นเรื่องจริงได้ เรื่องใดที่มายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงให้ถือว่าเป็นเรื่องนิทานและนิทานนี้ก็โปรดจะจับผิดจับถูกกันถ้าจับอะไรไมันก็ผิดมันนั้นคำว่าผิดหมายถี่ไม่ถูกนิทานเขาไม่ได้พูดให้จำเขาพูดให้ฟังฟังเพื่อเป็นการแก้กรุ่มบ้างฟังชวนกลุ่มบ้าง เรื่องไหนไม่ชอบจังว่าไม่ชอบใจฟังเรื่องนั้นก็ชวนคลุ่มเรื่องไหนชอบใจฟังว่าเรื่องนั้นก็แก้คลุ่มในตอนนี้ให้ชืี้ว่าเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวในผู้ที่คัดลอกก็คัดลอกสันส้นๆตามนี้นะเขียนพัดโผลเรื่องว่าเหตุที่เกิดแผ่นดินไหว เวลานี้ปรากฏว่าแผ่นดินไหวหลายแห่งในรัเสเซียไหวแผ่นดินแยกไม่ใช่แยกแผ่นดินยุบก็เป็นเหตุให้คนตายเป็นหมืน่นเมืองจมไปทั้งเมืองประเทศจีนก็เป็ น, นไหวแผ่นดินยุบก็เสียหายมากคนก็ตายมาก ในการก่อนๆจากนี้ประเทศต่างๆเขาน้ำท่วมฟิลิปปินส์น้ำท่วมบางบังคลาเทศน้ำท่วมบางอินเดียน้ำท่วมบางอเมริกาน้ำท่วมบางเสียหายมากมายแต่คนไทยก็ยิ้มท่วมเล็กน้อยไม่เป็นไรจ้าแต่ตอนนี้น้ำก็สงสารคนไทยคือน้ำท่านเป็นแม่เขาเรียกว่าแม่ของคา แม่จะมีความเมตตาปราณีในโลกแม่ต้องมีพร ม, มิหารสีแม่อคติเจนั้นในแม่ให้บางประเทศบางประเทศได้แม่ก็ให้ประเทศไทยได้แม่ให้อินเดียได้แม่ก็ต้องให้ประเทศไทยได้แม่ให้ฟิลิปปินส์ได้แม่ก็ต้องให้ประเทศไทยได้กรวมความวัฒนธรรมที่อยู่เอ เ, อเอชียด้วยกันก็ควรจะแบ่งกัน ดังนั้นปีนี้ปีพศอ .2531 อแม่จึงปรายกฎขินิาคมันภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยภาคกลางก็มีความรุนแรงตามสมควรอย่างวัดท่าสงถูกน้ำสองละลอกต้องสิ่งค่าใช้จ่ายสงเคราะห์เด็กที่เรียนศีรษทั้งหมดเทอมละล้านเศษสามเทอมสามเทอมสามล้านเศษ ไม่ช่วยเธอก็ไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ของเธอถูกน้ำท่วมเอาตัวเกือบจะไม่รอดอะไรบ้างที่มีติดตัวอยู่บางทีก็ไม่ได้ไปส่วนที่ได้จริงๆก็พระองพระโฮมก็มีบางบ้านแค่เสียหายเด่อของของไม่มากบางบ้านก็มากบางบ้านก็น้อยกรมความว่านาที่ทำไว้พืชไร่ที่ทำไว้ไร้ผล ก็ทำให้คนจนไปพักหนึ่งในเมื่อเด็กตาดำๆแล้วก็เลี้ยงอยู่แล้วก็เลยต้องเลี้ยงต่อเลี้ยงพิเศษกันสามสามเทอมเทอมละล้านเศษตามวิพีตั้งไว้ตามความเป็นจริง <c oughs> ทั้งนี้ไม่ใช่ค่าอาหารอย่างเดียวนะค่าค่าครูผู้สอนพระจ้างครูมาสอนนี่ยังไม่คิด คิดค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การศึกษาค่าอาหารการบริโภคเลียงกันทั้งหมดเรียงกันจริงๆอย่างนี้เทอมละล้านบาทเศษ็ <c oughs> สามเทอมสามล้านบาทเศษ็เป็นนว่าวัดท่าสงก็น้ําท่วมในเมื่อที่อื่นเขาท่วมเลยคนน้ําท่วมไม่สามารถจะไปช่วยคนน้ําท่วมได้เพราะตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ไหว เต็เงินเดืนสามล้านบาทเศษก็ไม่มีเงินในคงคลังเป็นเงินนี้ขอร้องให้บรรดาญาโยมพุทธวิสัทธ์และลูกหลานสงเคราะห์ท่านก็ตั้งใจสงเคราะห์กันมาดีข อ, ขอขอบคุณท่านและโมทนาด้วยขอทุกท่านอย่าปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขมีแต่ความร่ำรวยต่อไปก็ไปคุยกันเรื่องแผ่นดินไหว เมื่อน้ำท่วมมาถึงประเทศไทยได้แล้วก่อนน้ำท่วมเขาเรายิ้มพอน้ำท่วมเรานักตุนยิ้มนักตุนไม่ใช่พ่อค้านะ่ะไม่ใช่นักตุนประเภทไม่ใช่พ่อค้านี่ยิ้มแต่พ่อค้าที่ถูกน้ำท่วมก็ไม่ยิ้มพ่อค้าที่ไม่ถูกน้ำท่วมก็ยิ้ม แต่ว่าต่อไปก็ปรากฏชัดมาอีกคือแผ่นดินไหวในเมื่อ น, น้ํำน้ำท่วมตามประเทศได้ประเทศเราเขาก็ท่วมได้มาแล้วต่อไปแผ่นดินไหวตามประเทศแผ่นดินไหวเราจะมีไหมล่ะแผ่นดินไหวเล็กน้อยไม่ต้องพูดกันเอากันแผ่นดินไหวใหญ่ไหวแล้วมันพังเป็นเมืองเมืองมีคนตาย จงอย่าลืมว่าเราก็อยู่ในโลกเขาก็อยู่ในโลกนัดเซียกับไทยไม่ห่างไกลกันนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติจีนชาติไทยเป็นพี่น้องกันในเมื่อพี่ดินถล่มแล้วน้องละ่ะจะถล่มไหมได้สายเหตุสำเริจการในบรรดาทนพุทธริษัทตต่อไปจงอย่าประมาท จงอย่าคิดว่าเหตุร้ายอย่างนี้จะไม่มีกับเราก็แล้วก็จงอย่าตื่นตัวว่ามันจะมีสะเสลยทีเดียวเราต้องพร้อมไว้ถ้ายังไม่มีจะทำตนแบบไหนถ้าบังเอิญเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะทำแบบไหนพร้อมไว้ี่ก่อนจะได้สะดวกตอนนี้มาว่ากันว่าเหตุที่บันดินไหวมันมาอย่างไง นี่ก็ต้องขอย้อนเรื่องไปนิดหนึ่งตามพระสูตรท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีเหตุแปดประการเกิดจากธรรมชาติอย่างหนึ่งอาจจะมาขอเอาเฉพาะธรรมชาติอย่างเดียวอีกเจ็ดราการยังไม่พูดกันและจะไม่พูดต่อไปเพราะเป็นเรื่องของพระสูตรจะเข้ากรณีทานกันก็ไม่สะดวกนัก เรื่องของธรรมชาติอาตมาก็จำพอสอไม่ได้จำเดือนไม่ได้ผู้คัดลอกจากเสียงเป็นตัวสีถ้าจำได้ลงไว้ด้วยว่าปีไรเดือนไรที่ไปอเมริกาครั้งแรกทัวนํนำไปแวะไปเขาไปพาไปแวะที่ฮ า, าวาย เวลานั้นก็ด็อกเตอร์ปริยาไปด้วยก็เมียวด็อกเตอร์ปริยานุตาลไหลนี่เป็นผู้ชานาญการในด้านธรณีวิทยาเรียนมาโดยตรงไปถึงตอนเย็นเธอก็เหมารถเช่ารถเก่งก็มาคันหนึ่งพาไปเที่ยวจึงถามว่าด็อกเตอร์ที่มาในทุระอะไรมีทุระอะไรหรือเปล่าเธอก็บอกว่ามีทุระ ฝรังจ้างให้หาเหตุหาผลเป็นดินไหวว่าเป็นดินไหวเหตุผลมาจากอะไรบ้างก็ถามเธอเธอก็ตอบว่ามาจากลมพัดลมกระแทกใต้ดินทําให้เป็นดินไหวแล้วก็คุยเรืออื่นต่อไปคุยอะไรบ้างก็หลายปีแล้วไม่ได้คิดจะพูดเรื่องนี้ เวลามาพูดเข้าก็มานึกได้ในพูดไม่รอบขอบแนวเข้าใจว่าเขียนลงทำมิโมกไปแล้วแต่ว่าทำมิโมกก็หายยากหน่อยเพราะมันไหลเล่มเล่มอย่างเล็อย่างนิ ด, นดหน่อยจะมารวมที่นี่กระรวมความว่าพอตกกลางคืนเวลาจะนอนก็ปลากดไปเห็นพระท่านพระท่านก็มาทิมใบลางเหตุของแผ่นไหว นี่นก็กล่าวว่าพื้นดินมันเป็นร่องแล้วลมก็แทกร่องภายใต้พื้นดินแล้วก็เป็นดินไหวฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นเพราะเมื่อพระท่านบอกแบบนั้นก็เชื่อทันเพราะพระไม่เคยตัดอะไรผิดต่อมาวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปอเมริกาไปลงที่แคลิฟอร์เนียที่แอเอ พอตกเช้าฉันข้าวเสร็จโมงเช้าเสร็จเสจก็เสร็จเข้าห้องพอเข้าห้องปั๊บเกิงพระท่านท่านถามว่ายังสงสั ย, ยเรื่องแผ่นดินไหวที่ลมกระแทกแต่ไม้เล่าลมกระแทกดินก็ตอบทำไมใช่กราบเรียนท่านเลยว่าที่สงสัยก็สงสัยมากเพราะถ้าเป็นโพรงใต้ดิน ไม่มีทางที่ลมจะเข้าไปได้แล้วทำไมจึงเกิดมีลมกระแทกดินทำไมดินไหวลมขนาดนี้สนแสดงว่าแรงมากต่กต็ตอบว่าอางนนี้ก็แล้วกันเธอใส่กลอนเสียเวลานี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าสิบห้านาทีตั้งใจไปกับฉัน ฉันจะพาไปชมจะกลับกันจริงๆใกล้ส1บเอ็ดโมงรลยลายห้านาทีสิบเอ็ดมงจะกลับมาถึงเมื่อท่านชวนก็ลุกเดินไปใส่กลอนที่ใส่กลอนประตูเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามากวนเวลานั้นถ้าใครเข้ามากวนเวลาเที่ยวจะเกิดการสงสัยขึ้นเขาจะสงสัยว่ายังไงเป็นเรื่องของคนสงสัย ถ้าเวลานี้ไม่มีใครก็สงสัยก็เลยไม่พูดเรื่องคนสงสัยเมืกลับมาถึงที่นอนก็เริ่มจับอนาป่าเพระจับพับลมทรงตัวปุ๊บ ก, ก็ไปกับท่านท่านก็พาไปพาไปดูร่องภายใต้แผ่นดินต้องพูดเกินถวัลโลกในแผ่นดินไม่ใช่ใต้แผ่นดิน พระโลกนี้ฝรัง่งเขาบอกว่ากลมไทยก็บอกว่ากลมในเมื่อคารวาสบอกว่ากลมพระก็บอกว่ากลมจะได้ไม่ขัดคอกัน <c oughs> เป็นดินนี้มีความหนาเท่าไรก็ไม่ทราบสุวแล้วแต่ตำราของโลกเขาวัด จ, จริงๆเขารู้จริงนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาเขายอมรับ ว่าเขามีความรู้จริงหลังจากนั้นแล้วก็ไปชมสถานที่โพรงดินคิดแรกคิดว่ามันจะเป็นโพรงเล็กน้อยความจริงแล้ววันจะพูดว่ายังไงดีจะบอกว่าเป็นถ้ำถ้ำมันก็มีจุดจบจะบอกว่าเป็นคลองคลองก็ไม่มีแม่น้ำ เอาถือว่าเป็นโพรงดีกว่าโรงของดินเนี่ยมันจะยาวเหยียดไปทั่วโลกแล้วก็แยกซ้ายแยกขวาแยกขวาแยกซ้ายไม่ใชเล็กบางแห่งกว้างถึงหนึ่งโยบางแห่งกว้างถึงเจ็ดโยศเนี่ยมันก็เป็นทะเลบางแห่งก็แคบบางแห่งก็กว้างมันก็ไปเข้ามาอย่างนี้ ก็แยกไปแยกมาแยกมาแยกไปดูตามผืนจริงๆตามเส้นใหญ่มันก็ทั่วโลกชนกันแล้วก็มันยาวไปทั่วโลกแล้วก็มีเส้นย่อยๆเส้นย่อยก็ไม่น้อยที่เป็นขนาดแม่น้ำํำใหญ่ๆกว้างประมาณหนึ่งกิโลเมตรบ้างเขินบ้างแคบมานิดหน่อยบ้างที่แคบกิโลเมตรหนา ย, ยากแล้วก็เป็นซอยอีก ที่าถัไปเลยรวมความว่าร่องใต้ดินเนี่ยมองแล้วไม่มีน้ำเจิงอย่างน้ำเจิงอย่างไม่น้ำไม่มีก็เลยสงสัยว่า น, น้ำไปไหนหมดแต่ไม่ได้ถามพระ <c oughs> สิ่งที่ไม่ควรถามก็ไม่ก็ไม่ถามได้ถามเข้ามันจะเกินพอดีแต่ว่ามองไปพื้นขันหลางหมายความเป็นไตส่วนต่า ที่เป็นพื้นดินพื้นดินส่วนต่ําไม่ใช่ดินแข็ง <c oughs> มันเป็นดินเหลวเป็นเลนแต่เลนนี่เป็นสีน้ําเป็นน้ําเดือดมันเดือดหนักจริงๆอย่างใครเคยไปสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์บ้างถ้าไปที่นิวซีแลนด์จะเห็นโครนเดือดโครนเดือดไม่ก็เหมือนกับที่นิวซีแลนด์ก็เหมือนกับเดือด ภายใต้พื้นพิภพที่เป็นล่องใหญ่ของโลกแต่ว่าภายใต้พื้นพิภพมันเดือดหนักกว่าก็กําลังสูงกว่าโตวกว่าแค่บางส่วนก็เป็นน้ําพุง่งโชดโชยคล้ายๆกับนิวซีแลนด์พุง food, food, food, food, ่งฟูดฟาดฟูดฟาดฟืดไอ้น้ําพุ่งเนี่ยไม่มีเวลาเนี่ยมองปฏินันก็พุ่งกันไปเสวิไปเป็นน้ํำพุโงสง แล้วก็ไอ้ส่วนเดือดต่าๆก็มีพระจึงกเ็เลยอธิบายว่าไอ้น้ําที่เดือดนี่ในเมื่อเดือขึ้นมาแล้วมันก็ลอยตัวตัวนี้มันก็จับเป็นกําลังของลมที่กําลังเข้าลงส่วนนี้มามากๆเข้าก็มีการก่อตัวเมื่อมีการก่อตัวก็มีการเคลื่อนไหวแรง มีการเคยแหวงระไว้แรงก็ทบส่วนใดส่วนหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งของโคลนตอนนั้นแจกเกิดแผ่นดินไหวแรงส่วนใดที่เป็นส่วนปลายก็จะมีความรู้สึกน้อยเอาอย่างประเทศไทยนี้ก็แล้วกันความแรงอย่างนี้ยังไม่เข้ามาถึงในประเทศไทยแต่ถ้าว่าย่องเข้ามาเยี่ยมประเทศจีนแล้ว ลองนั่งลืมตาหลับตาหลีตาเล่ตาคิดดูทีด้วยว่าประเทศไทยกับประเทศจีนใกล้กันแล้วไกลกันแ น, นกระแสลมที่จะพัดมารวมตัวกันในประเทศไทยมันยา ก, ยกมากเลยนี่ไม่ได้พูดให้กลัวพูดให้ฟังปรมาทโทรมัจุโนะทังความประมาทป้นทางความ ต, า, มตาย อะมาดีนะสัมมาตินัศนหลายอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าเราไม่ประมาทพร้อมโดดแต่ว่าพื้นดินถล่มจะโดดไปไหนโดดจากบ้านก็ลงหลุมอยู่บนบ้านก็ลงหลุมท่นี้ทางที่ดีก็ถามธรณีวิทยาเขา นักธรณีวิทยาธรรมาก็ไม่รู้จักใครรู้จักดรปริญญากับเหมียวถามสองคนนี้ก็ได้ว่า่วนไหนของประเทศไทยที่มีดินเป็นพโพรงบ้างและก็ดูว่าพโพรงมันจะหนักไหมธรรมาก็ขอยืนยันว่าประเทศไทยที่มีดินเป็นพโพรงอยู่เยอะไม่ใช่น้อยและก็เป็นพโพรงที่น่ากลัวอยู่กันหลายจุดหลายแนว ถตารวความว่าบรรดาท่านผกฟังฟังแล้วอย่าเพิ่งสะเทือน <c oughs> ดินที่เป็นโรลงนี้อยู่ลึกมากทุกประเทศก็อยู่ลึกประเทศไทยส่วนที่ตื้นก็มีอยู่นิดหน่อย <c oughs> อย่างชายเชียงใหม่ต่อชายแม่หองสอน <c oughs> นี่ก็เลื่อยมาถึง น่าจังหวัดอะไรจังหวัดแม่สอดแม่สอดอะเภออำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วจังหวัดแพร่ชายชายป่าอันนี้มีจุดตื่นขวบอกเฉพาะจุดแต่มันมีเยอะแยะอาจะเฉพาะจุดเป็นตัวอย่างแต่คําว่าบางก็ไม่ใช่บางมากไม่ไม่ไม่ใช่บางมากยังมีความหนาเป็นกิโลกิโล สามารถต้านทานภูขเขาอยู่ยังสามารถต้านต้นทานน้าหนักทั้งหลายอยู่แล้วแถวการบรีจะมีไหมลอยโพรงชั้นล่างการบรีก็มีผ่านไปนี้วก็เลื่อยไปออกโน่นมาริทวายโน่นอันใหญ่นะนี่ว่ากันอันใหญ่อเอ้ยนี่พูดอะไรจะเลยมาแล้วละมั้งเนี่ย อันใหญ่ออกไปเต๋อไวแล้วก็มุดทะเลไปไปขึ้นดินไหนขึ้นไหนตามประเทศช่างมันไม่เกี่ยวกับเรากรวมความว่าพระจึงบอกว่าลมที่เป็นไอ้น้ำมันมารวมตัวขั้นรวมมากๆก็มีกำลังพัด ส, สูงมันก็ไหลไปไหลมาไหลมาไหลไปไหลเจตโนนมาชนตะนีไหลเจตตะนีจนจน้้น ในเมื่อกำลังอาตัวมันมากขึ้นมันก็มีกำลังแรงมันก็คงเข้าพุ่งไปชนกำแพงด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของโพรงพผ่นดินก็ไหวนี่ก็ถามทวารด้วยความโง่ถามได้ว่าก็ไม่เมื่อร่องมันยาวตลอดโลกและก็มีที่แยกมากมันไหลแต่มันไม่ไหลแยกก็ไปกระจายตัวกัน ทำไมต้องมาชนให้เป็นดินไววถ้าก็บอกว่ามันจ ะ, ม, นจะมันจะกระจายไปไหนเมื่อต่างที่ต่างก็มีไอ้น้ำมันมีความร้อนตลอดกันมีไอ้น้ำเหมือนกันถ้า่ากับเบียบเทียตันถามว่าในมหาสมุทรที่มีกําลังลมตั้งขึ้นในมหาสมุทรลมพุดขึ้นมามีกําลังสูงแล้วก็แทกบ้นเรือนก็พัง ทำาไมลมไม่ลอยตัวบรรยากาศที่มีมีสถานที่กว้างกว่ามันไม่น่าจะชนบ้านชนเรือชนเรือนเขาผัางทรัพย์สินเสียหายมันน่าจะลอยเบรกอากาศพอท่านพูดเท่านี้ก็มีความเข้าใจว่ากำลังของมันถ้ามันจะพุ่งไปทางไหนมันก็หลีกไม่ได้มันหลีกไม่เป็น <c oughs> ก็เป็นนั้นว่ามีความเข้าใจ เรื่องของเหตุแห่งแผนดินไหวก็มาจากไอน้ําไอน้ำนำี่ก็มาจากความร้อนของใต้ดินเมื่อความร้อนมากน้ำชุ่มชื้นมีบ้างแต่น้ําก็ไม่มากเขาทําดินให้ละลายเป็นโคลนโคลนก็เดือดเดือดเป็นไอขึ้นมาและบางจังหวะที่มีน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยงมากความร้อนสูงก็พกุ่งขึ้มาเป็นน้ําพุ ใอ้เป็นกระแสน้ำโพนี่มีกำลังไอสูงมากกระมวความว่าเหตุที่ทำให้เป็นอินไหวคือไอน้าไอน้าเมื่อเหยมาแล้วก็กลายเป็นลมลมเมื่อรวมตัวกันมากๆเขาแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีกำลังแรงแล้วก็พุ่งตัวเขาชนกำแพงพุ่งตัวเขาชนกำแพงของของโพรงในดินเป็นดินก็กะเทือน ฉันจะว่าพูดกเรื่องแผ่นดินถลม่มก็เหลือเวลาอีหนึ่งนาทีเสษเศษก็ขอสรุปเป็นธรรมะคําสอนขององค์สมเด็จพ ร, ระสัรรมรรมาสัรรมพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งว่าโลกเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงเราก็เป็นคนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรผลท่ามกลางมีการตายเป็นอันทีส่สุด ทรัพย์ินต่างๆที่มีอยู่จะคิดว่ามันเที่ยงหามาได้แล้วมันก็หมดไปที่มันไม่เที่ยงคนรักสัตว์ที่รักของที่รักจะคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปกรงความวิสิทธิทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่อยู่กับเราตลอดกาลเราต้องจากจากกันสมัยการคืนหนึ่งของจากเราหรือเราจากของนั่นหมายถึงของหมดไปก่อนเราตายแล้วเราตายก่อนของหมด รวมความว่าทั้งหวังยังหวังการเกิดในโลกก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะพบแต่ความไม่แน่นอนความสุขจะเกิดได้จะทุกข์คือความแน่นอนเท่านั้นฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหวังนิพพานเป็นที่ไปคนหวังนิพพานก็คือหนึ่งรู้จักการให้ทานพินการตัดรูพระความโลกเทียนน้อยสองรู้จักการนักษาศีลศีลมีเมตตากรุณาคุ้มครอง เป็นเหตุตัดพระโทษสาความโกรธเท่น้อยสามาเจริญภาวนาเพื่อตัดโมหะความหลงอรบบันดาเทพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อทุกท่านตรงใจได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนเข้าถึงคำสอนของสมเด็จพระมหาวนีคือพระพุทธเจา้าในที่สุดทุกท่านก็จะมีความสุขจะ ม, มีเหตุมีผลอรบบันดาเทพุทธศาสนิกชนเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งวินาที ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่อนและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี